ส่วนความทลาพลาดจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักก็คือความไม่ประสบความไม่พรั่งพร้อมความไม่ร่วมความไม่ระคนด้วยรูปเสียงเปลี่ยนรสโภตาภ ะ, ะอันหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้ า, นาพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลปรารถนาความผาสุกปรารถนาความเกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้นคือมารดาปิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิง มิตรอมาตย่าซาโลหิตอันนี้เรียกว่าความพระท่าจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รับเนี่ยนะก็พวกนี้กลุ่มราค่าจริตเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะโดยทั่วๆไปแล้วเขามีความทุกข์มากที่เขาจะต้องจากจากสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าพวกโทสะเจริตไม่เป็นเนี่ยนะพวกกลุ่มโทสะเจริญนี่ไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะต้องเสียใจอะไรเลยถ้าจะต้องจากอะไรแต่ถ้าพวกราค่าจริตนี่ไม่ได้โอ้จะจากอะไรสักหน่อยดียเดียวก็ทุกข์มากแล้ว ทุกเพราะการพลัดพรากเขากลัวที่สุดคือ ก, กลัวการพลัดพรากเนี่ยนะง <c oughs> ั้นใครที่สังเกตดูว่าราคาเจริญมากขนาดไหนก็ดูจากการพลัดพรากเนี่ยนะพอปลารบถึงการพลัดพรากปั๊บใจหายว้าเลยนะกลุ่มนั่นแหละ <c oughs> ส่วนปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นะนะไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นทุกข์ะนะไม่สมความปรารถนาเช่น ความปรารถนาย่อมบังเกิดแกสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้โหนเราขอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิดยามมีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาอันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แหมอันนั้นก็เป็นทุกข์เช่นขอเราอยากเกิดในนรกเป็นธรรมดาเลยเงี้ยนะขอได้ไอันนี้ทุกข์ไหมล่ะถ้าไปเกิดตรงนั้นยิ่งเงี้ยนะ ขอเราอยากเกิดเป็นเดรัจฉานเลยขอเราอยากเกิดเป็นเปรตเลยขอเราอย่าเกิดเป็นมนุษย์ทุกขตะเข็นใจเลยเนี่ยๆจิงเข็นทางกายทั้งใจเนะี่ยก็คือขอได้ไหมละ่ะเนี่ยนะอันนี้แหละถ้าใครขอไม่ได้ก็ทุกข์ล่ะแม้กระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ขอเนี่ยประเกิดชาติตระกูลต่ํามันก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเลยนะอย่างประเทศไทยอย่างตอนนี้ก็คงไม่เท่าไหร่มั่งนะแต่ถ้าเป็นประเทศบางอย่างนี่ถ้าเขาเรียกอธิสูตรเนี่ยนะอย่างอินเดียเนี่ย ไม่มีทางงอกเงยในชาตินี้ทั้งชาตินะนะแต่ก็มีเล็ดรอดมาเป็นประธานนาทิบดีได้คนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญอีกคนหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆรวมๆแล้วยอดนะเพราะเขาเกลียดกันโดยที่สุดไม่กระทั่งเขาไม่ให้ไปจับน้ำในขันของเขาเลยซ้าไหมก็อย่างคนพวกนี้นะเขาจะอย่างเขาดื่มน้ำในแก้วเนี่ยเขาจะไม่เอานะเอาริมฝีปากสัมผัสแก้วนะพว น, นี้ต้องยกกรอกอย่างเดียว นย่งเขาตักน้ําให้ก็อ้าปากแล้วก็เทน้ําใส่ปากเอาก็ขนาดเขาบอกว่าบอ่อน้อําบ่อหนึ่งเนี่ยนะถ้าสุนัขไปเดิมนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนวันณะต่ำๆไปตักเดิมนี่เขาเขาเดือดร้อนนะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดมาเป็นวันณะต่ำๆก็เดือดร้อนมากงั้นถ้าผู้ที่มีความเกิดเนี่ยก็ขออย่ากเกิดอีกเลยเนี่ยนะ แล้วแล้วต้องเกิดอีกเนี่ยนะโอ้ทุกข์มากเลยเลยมาจําได้ทำไมเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ทุกข์มากๆมันเกิดมาทําไมกัเนี่ยไม่เห็นมันดีตรงไหนเลยนะไม่เคยชอบเลยนะทําไมมันต้องเกิดด้วยตอนเด็กๆ เ, เครียดเหมือนกันนะเครียดเพราะมันต้องเกิดนี่แห ล, แลเเะเขาอะไรเรียกว่าปรารถนาไม่ไม่อยากไม่อยากเกิดแล้วมันได้เกิดเนี่ยนะอันนี้ทุกข์มาก รู้สึกตัวครั้งแรกตอนนอนอยู่ในเปอ่ะค่อยไปไ ป, าปมาเรื่องรู้สึกตันมาเป็นครั้งแรกมันสูงจริงๆบอกให้เราเป็นใครมาจากไหนอะไรก็ไม่ไม่ออกรู้สึกตัวขึ้นมาตอนนั้นจาได้นั้งแตอยู่ในเปลเลยนะดีละดีละมีชาวอินเดียครับอันนี้เรื่องจริงนะมีชาวอินเดียก็เขาก็อาชีพเป็นเป็นศาสตราจารย์ในหมหาวิทยาลัย เขามีความทุกข์มากเลยเพราะเขามีลูกสาวถึงสามคนยังไงเนี่ยนะฮะมีลูกสาวสามคนเนี่ยแล้วก็อยู่ในฐานะที่การศึกษาก็ดีด้วยใช่ไหมฐานแล้วข้าลูกสาวเนี่ยนะฮะเป็นทุกข์เพราะว่าเขาต้องเขาจะแต่งงานเขาต้องไปขอผู้ชายคนระับนะฮะเขาต้องไปขอผู้ชายแล้วโอ้โหผู้ชายเรียกแพงอ่ะฮรมันเรียกแพงนะเขาไม่มีปัญญานะฮะเขาไม่มีปัญญาจะเสียะฮะ ว่าก็เป็นทุกเป็นร้อนมากเลยก็เรื่องแปลกไว้ครับเรื่องนี้เนอเขาข้อไหนเขาเนี่ยอืมก็เดือดร้อนเพราะมีลูกกัะนะ <c oughs> ถ้าเป็นคนไทยก็บอกเดือดร้อนมากที่มีลูกชายหลายๆคนงนั้นน <c> ะ <oughs> เขามีแบบคนไทยหน่อยนะ <c oughs> ไอ้เจ้าหนึงก็บอกว่าแม่จะไปขอให้หรือไม่ไปขอให้บอกไม่มีเงินเอยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเผาบ้านให้ <c oughs> อ่าพอบอกว่าลูกชายจะเผาบ้านก็เลยต้องไปขอให้อีกเจ้าหนึ่งอ่ะ น, นะบอกว่าเออแต่ขอเมียให้ผมหน่อยก็บอกไม่มีเงินอย่างนั้นเออเดี๋ยวจะเผาอยู่อ่าจะเผาฉางข้าให้อะนะแม่ก็เลยต้องไปขอให้อะนะก็เป็นความทุกข์กันนะเพราะพวกนี้ไม่มีตังค์ทําไงก็จำนองที่ได้ที่ดินที่นาอะไรทั้งหลายหลยนี่มาเพื่ออะนะก็เป็นความทุกข์ลมนี้นี่แหละรวมๆนี่ก็เพราะมี อะไรนะประจวบกับสัตว์สังขารอันไม่เป็นที่รักเหมือนแล้วก็ต้องพลัดพรากจากสัตว์และสังขารอั น, นเป็นที่รักในชะ่ไหมต้องเสียเงนินเสียทองอน่ะเนี่ทีนี้มาดูว่าบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ไม่อยากแก่ใช่ไหมความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดาขอความแก่อย่าพึงมีแก่เราเลย คนนั้นสัตว์ไม่ได้สมความปรารถนาอันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยมามันนึกๆมันก่อนนะนึกโอหนี่เรามันถ้าตะวันมันเที่ยงวันแล้วนเนี่ยรอตกอย่างเดียวนั่นเนี่ยรู้มันจะตกวันไหนกันมั้งนึกถึงตัวเองอะนะนี่เรานี่มันจากไม่ไปมันรอวันตายอย่างเดียวนั้นเนี่ย เมื่อก่อนนี่ก็นึกถึงความตายอย่นะแต่ว่าเอ๊ะมันมามาคล้ายๆมันยอมรับเอาอีกหน่อยเราจะตายแล้วนั่นนีแก่แล้วนี่นนจริงๆอ่ะนะที่ดูที่ดูไม่ค่อยแก่เพราะอะไรนะเพราะอยู่กับคนแก่นี่มากมา <c oughs> เราก็เลยดูเหมือนว่ายัางไม่ค่อยแก่ <c oughs> แต่เปไปหลุดไปอีกที่หนึ่ง เ, เรานี่มันแก่กว่าเพื่อ น, นนะทั้งหมดเละนะอยู่กับคุณปู่คุณย่าทั้งหลายแหละวเราก็เลยดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะ แต่ที่ไหนเราไปอยู่คนเดียวเงียบเียบนะเออใกล้เต็มทีอยู่เหมือนกันนัเนี่ยก็ดูแข่งกันนะไม่รู้ใครไปก่อนระหวังผู้การจะมาเนี่ยแม่เหมือนกันนะแ่เที่ยวกับบุญไม่ได้นะผู้การเกิดอยู่เก้าสิบเลยจังาวะ ก็เก้าก็แม่คุณอารีเนี่ยแม่คุณอารีเนี่ยเก้าสิบแข็งแรงนะเนี่ยยังนั่งตาแป๊แล้วคุยกันได้อ่ะคุยกันรู้เรื่องอยู่เลยอ่ะแม่แจนแดงอ่ะนะอ๋อแม่ชีคนนั้นเก้าสิบกว่าเลโอ้ดูของมันนี่ก็แปดสิบเองอืม โอ้โหอายุมีบุญมากเนียนะฮะยื้อยืนมากนะนั้นก็มุทิตาด้วยที่มีอายุยืนนั่นนะ<ม>ก็ก็คือถามว่าจะเรียกเกิดใหม่เลยหรือ น, ะนะั่นนะมักก็ยังไม่มีใช่ไหมยืนก็จะไม่เอาเอีกก็แดงว่าขอมาเกิดใหม่อนะนะก็พความแก่เนี่ยมันขอขอไม่ได้ใช่ไหมขออยากแก่ขออยากแก่เนี่ยมัน ก็เราเรานั่งอยู่นั่งอยู่เฉยๆนะมันก็นั่งรอความแก่นะนั่งรอความแก่อยู่ตลอดเวลาเลยแหละรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามวันหนึ่งผ่านไปก็แก่เข้ามาอีกวันหนึ่งนะเพลินดูอะไรเพลิ น, ล น, ลนสนุกสนุกไปมันก็มันตั้เดียวจริงๆเลยนะีอีกหน่อยก็เดี๋ยวก็เข้ามาอีกว่าความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า โอ้หนอขอเราไม่เพึงมีความเจ็บเป็นธรรมดาขอความเจ็บอย่ามาถึงเราเลยะนะข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้อันนี้ก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นทุกข์กันนะปรารถนาไม่ป่วยนี่มันขอก็ได้ไหมแม่ครูขอได้ก่อขอไม่ได้เลยนะตอนแรกๆ ก, ก็ดูเหมือนคุยกันรู้เรื่องอ่นะตอนหลังเอ๊ะชักคุยไม่รู้เรื่องเหมือนนะหายไปทีเป็นอาทิตย์เลยมันชูศรีเล่าว่าโน่นนะป่วยเลย นะเนี่ยเล่นกระขันหา้ามเป็นอย่างนี้แล้วพระเจ้าบอกขอไม่ได้แร้วปัญห า, าไม่ตายนีนอนอยู่ในลสมสงฆ์นี่นะมันความเจ็บเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่าตัวไหนมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโรคไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บป่วยในกายเนี่ยไม่มีหรอกอันนี้คิดว่าโรคของรูปกระขันนะ่ะนะอะไรโรคของนามขันนะ่ะอนนี้โรคของนามขันนะชาติวิบากมันมีทุก ข, ขากายวิ ญ, ญญาณเป็นโรคในชะ่ไหม ถ้าถ้าเป็นกลุ่มชาติวิบากนะถ้าเป็นกลุ่มชาติอักุ u ศนะ่ะตัวโรคมันอีกเท่าไหร่แต่สัตว์โดยรวมๆนะเข้ากลัวทุกขากายญวิญญาณขวักกลัวอักุศนมากกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นโรคแบบเห็นๆกันอยู่นะอันนี้เรียกว่าโรคปรากฏหรืออันตรายปรากฏแต่กิเลสเขาเรียกว่าอันตรายปกปิดนะเป็นโรคที่ปกปิดก็ใครคิดว่าตัวเองโลภะเกิดแล้วมันมีตัวอันตรายอ่ะนะโอ้นี่กําลังอันตรายอยู่เนี่ย ภาวะอันตรายกําลังครอบงำนะมีไม่ค่อยเท่าไรหรอกที่จะยอมรับว่าขณะที่นี่วรนห้เกิดนี่อันตรายานะไม่ค่อยมีขณะที่อุปกิเลศเกิดนี่เรียกว่าอันตรายเนี่ยไม่ค่อยมีก็เรียกเลยเรียกว่าอันตรายตกปิดอันนี้เรียกว่าโรคทางใจะนะมีอยู่สูตรหนึ่งเขาบอกว่าใครที่ปฏิญาณไม่มีโรคทางกายเลยนะหนึ่งปีสองปีถึงสิบยี่สิบห้าหกสิปีหรือร้อยปีก็ยังพอมีอยู่ อย่างพระภากูละอายุร้อยหกสิปีเนี่ยนะท่านสุขภาพดีตลอดเลยไม่เคยกินแม้กระทั่งสมอชิ้นเดียวเรียกว่าบับแก้ป่วยเนี่ยนะไม่มีในชีวิตท่านไม่รู้จักไม่รู้มันเป็นยังไงเนี่ยนะไม่เคยป่วยแม้แต่นิดเดียวเลยนะบวชมาท่านบวชตอนอายุแปดสิบปีเนี่ยนะแล้วก็ไม่กี่วันก็เป็นพระอรหันต์นะนะแล้วก็เป็นคนที่ที่รวยที่สุดอ่ะนะเป็นมหาเศรษฐีบวชอ่ะนะมันก็ เป็นไม่เคยเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่สุขภาพก็ดีตลอดเปลี่ยนวันละชุดวันละชุดวันละชุดนนเนี่ยนะคือก็เป็นลูกของมหาเศรษฐีสองเมืองอ mm ่็นไหมคลอดเศรษฐีเมืองนี้เศรษฐีเมืองโน้นไปเลี้ยงเนี่ก็เป็นคนมีความสุขตลอดเลย mm hmm. แล้วก็ไม่เคยป่วยด้วยนะมีอายุร้อยหกสิบปีปริญนี้ผ่านตอนอายุร้อยหกสิบปีไม่ต้องมีใครมาพยาบาลด้วย ท่านรู้ว่าท่านป่วยก็นั่งปรินิพพานเลยนะแล้วก็อธิษฐานเตโชธาตเผาเนี่ยพร้อยแบบเสร็จหมดนะนะมีอยู่รูปเดียวที่สุขภาพดีแบบเนี้ยนะที่เหลือก็ไม่ค่อยเป็นอย่างนี้หรอกขอจังเบ็ดทีวอเวลาชุดนะวันละวันละชุดมันเพราะว่าลูกหลานเขาเนี่ยเตรียมไว้เยอะแยะไปหมดอยู่แล้วนะจริงท่านใช้วละ ส, สิบชุดก็ยังสบายๆเลยแหละไม่เคยกินปลาไม่เคยกินปารา พาราเซตมอนเขามากินเยอะเงีนะใคใครไม่เคยกินนี้รู้ไหมไม่เคยกินพาราเลยนะตั้งแต่เกิดมาคุณนายไม่เคยกินพาราเลยอะ่ะ ค, คุณนายยกมื อ, อมคุณนายนี่มีบุญมากเลยไม่เคยกินพาราเลยนะ กินแต่ไม่รู้ใช้าลาหรือเปล่าเปกินยาแก้ปวดพระราละไม่เคยเลยนะหมอไปไปทฟันหมอหมอจะให้กินพราตั้งเบ็ดดิผมไม่เคยกินไม่เคยกินพรรามาก่อนนันะมีหน้าคุณนายก็ไม่เคยกินเลยแดงว่ามีบุญมากนะก็แสดงว่าในสงของการไม่เบียดเบียนสัตว์ะน คือใครที่ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์นะนะไม่ไม่ปกต er ินะโรคภายเนี่ยเขาไม่ต <Ken. S 2> <the ground. S 1> ้องถามหาอะไรหรอกผู้ปวยศีรษะเนี่ยที่หมอเขาด้นำมาดีมากเลยถ้าองกินยาปารานะเขาเขาทำาช่นนี้นะเนตัวนี้นะฮแล้วก็เนี่ยกดไปเลห้าหน่งงนะน่องสาสีห้านะแล้วก็กดตรงนี้ะตรงนี้เนี่ยนีกสี่้านะฮะ กดนะ เ, เราลุ้นเลยนะถ้าปดตรงนี้เวลาถ้ากดนะพอที่เรากดศึกษารนะถ้าเราปดเราจะลุ้นเลยมตรงนี้มันเจ็บเหมือนปวดซีกสารไหมครับแต่ถ้าเราไม่ปวดที่สารแล้วกดมันไม่รู้สึกอะไรถ้าถ้าไม่เกรนไม่ทราบนะแต่หมอเขาเนี่ยนะหมอปัจจุบันนะถ้าบอกหนึ่งนะนี่นะใครเอาไปใช้ได้นะนะนะแล้วก็สองนี่นะแล้วก็สามนะครับนี่นะครับที่อยู่ไม่ด็หูเนี่ยนะ ดัก็ไปตึงห้าครั้งนะอีก <c oughs> อันนึงนะครับนี่ครั บ, บไปห้าครั้งผมก็รองเลยนะถ้าภาบเหียกหายลนะปวดที่สันเนี่ยต้องจง่ายไหมอืมม่แล้วไปแนะนาคุณอุไรมั้งคือหมอเนี่ยนะคือคือพี่สาวคนหงี่สาวเนี่ยแหละ ที่สาวเขาไปกินสารเลท่านเป็นโรคปวดศีรษะประจําเลยนะท่านก็ไปหาหมอประจําเลยนะ่าต้องไปหายาทานเลยนะจนหมอก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ดินะไม่ต้องไปหาและนะใหนะ้ให้ทดลองทําเนอะท่านทำแล้วหายครับผมเลยจํามันตั้งแตนั้นแหลอดีอดีดีนิพพาราของผกานแต่ว่าอันนี่ก็คือถือว่าเป็นโรคกันนะแต่ว่าของพระภาคุลเนี่ยไม่เคยมี เจ็บสันนิดเดียวไม่เคยมีแต่ว่าโดยรวมๆก็ไม่ใช่ว่าผู้การไม่มีโรคอื่นนะ <laughs> ยาไม่ได้บ้าบ้างเท่าไหร่หรอกออย่างมันก็ได้ไปคนละอย่างสองอย่างอะนะบางคนเนี่ยสุขภาพเรื่องนี้ดีเยี่ยมแต่อีกเรื่องหนึ่งเม่ใช้ไม่ได้เลยคือสุขภาพเนี่ยนะขันห้ามันมีอาการตั้งสามสิบสองใช่ไหมสามสิบสองแล้วแต่ว่าใครจะ กำเริบตัวไหนมากกักันเท่านั้นแหละกระดูกอกนะฮะเอาไปดคอนี่เหมือนกถูกแขวนคอดีๆนี่ถูกแขวนคอมาหลายคนยืดเียเนยืเนี่ยันแลวหายถูกแขวนคอมาหลายคนนะนีมีมีส่วนไหนบางที่ขอขอได้นะมอย่างจริง ขออย่าเจ็บขออย่าปวดขออย่าป่วยขออย่าไข้เลยเนี่ยนี่ตอนที่มันสุขภาพดีๆก็นึกว่ามันมันแต่ละอย่างนะร่างกายของเรานะตอนที่มันดูดีๆนั้นนึกว่ามันมันจะเหมือนกับมีอํานาจเต็มที่เลยนะแต่พอมันป่วยเข้าเต็มที่นะจะลุกจะเดินจะเหินจะทําอะไรก็มันลําบากไปหมดอ่ะนี่อันนั้นร่างร่างกายถ้ามันมันลงมาได้เป็นโรคแล้วนะมันก็แก้ยากแล้วจิตใจนะถ้าลองเป็นโรคดูนะแก้ง่ายไหม อย่งอกุศลวิตตกบางอย่างเกิดเนี่ยนะมีปฏิฆาณิมิตบางเรื่องเข้ามาเนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะสามวันแล้วทำไมยังไม่เลิกสักทีอะไรเงี้นเจ็บนะกรนอยู่นั่นแหละเพราะฉะ น, นใครที่สามารถเปลี่ยนแปลงโรคทางจิตได้เนี่ยนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยไม่ให้จิตมันตกไปในบาปและอกุศลเนี่ยนะของเราทั้งหลายเน้นมารักษาโรคทางจิตกันเถอะเนี่ยนะรักษาทางกายยังไงมันก็ คือมันเหมือนก็มีหม้อรา้วเนี่ยนะซึ่งมันเตรียมจะแตกอยู่แล้วนะประคับประงมมันยังไงมันก็ก็ดูแลหม้อรั้วอยู่ดีๆนี่แหละหม้อรา้วเนี่ยปกติมันก็ซึมอะไรออกไหมหม้อของเราเนี่ยมันซึมบอกตั้งหกแห่งอนะนะก็ดูแลประคับประคองไปเในที่สุดก็ยังไงมันก็แตกคำลายอยู่ดีอนะเขาบอกว่าคนคนที่รักษาเนี่ยนะมีใครรักษาแล้วรอดตายบ้างมีไหมเคยได้ยินไหมตลอดระยะมาหลายๆพันปีมาเนี่ยนะ เคยได้ยินไหมว่าโรอตายเลยอ่ะจักรพรรดิคนหนึ่งนะจักรพรรดิจีนนี่แหละเขาส่งเสนาหมาดเนี่ยเยอไปเป็นหมื่นเลยนะไปหายาในเกาะแห่งหนึ่งพระราชาถูกหลอก <c oughs> พวกนั้นก็ไปอยู่ที่นั่นสบายกันเลยนะไม่ส่งยาไม่จักรพรรดิตั้งนี้หรอกเพราะว่ามันยาอมะตะอย่างที่ว่าไม่มีจินซีฮ่องเต้นนะส่งคนไปเที่ยวหายาเพื่อเพื่อยาอมะตะเนี่ยนะ ไม่เคยมีใครประสบความสําเร็จเลยในการค้นหายาอมะตะที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะว่าความตายเนี่ยเป็นผลพวงของความเกิดถ้ารังเกียจความตายจริงก็ต้องไม่เกิดสิแต่ถ้าเกิดแล้วก็ยังขออย่าตายเนี่ยอันนี้เป็นตายไม่ได้แต่ไม่แน่นะพอไปถึงในที่สุดอ่ะนะหมว่าไม่อยากตายแล้ว เ, เกิดสมมุตินะให้ไม่ตายได้จริงๆอ่ะนะเอาไหม มันร่างกายมันกระพ่องกระแท่งมันกระุงกระริงไปเรื่อยใช่ไหมมันฉีกไปเรื่อยมันขาดมันหลุดไปทีละชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยนะแล้วไม่ยอมตายสักทีหนึ่งไงนะรอความตายอยู่ในโรงยุคเสิบนะจะไม่มีเพื่อนเลยครับไม่รู้จักใครเลยถ้าไม่รู้จักใครเลยนะยุคเเนี่ยจะไม่มีเพื่อนเลยอรมณ์เดียวกันนี้หมดสิทธิ์เลยนะ <laughs> คุณหมอเล่าว่าถ้าคุณแม่ไปในงานเลี้ลยงรุ่นเนี่ยนะเลี้ยงอะไรนะของเพศศักด์เขบอกว่าต้องเป็นประธานทุกครั้งเลย <laughs> <laughs> ถ้า <laughs> ถ้าถ้าไปร่วม ง, งานเมื่อไหร่นะต้องเป็นประธานทุกครั้งเลยยั ง, ย ง, ง, ยงก็ยังสดใสยอยู่ยังคุยกัน <spe ak> สบายสบายโอ้โ คนะวามมุตตะถนัดไปรับตัวสัตว์อ่ะลุงชายครับกรุงไทยเหรอล <c oughs> ุงชายกรุงไทยแล้วนะลุงชายพวกับกรุงไทยเลย <c oughs> นึกว่าธนาคาร <c oughs> ทีนี้ต่อไปว่าความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่างในว่าโอ้หนอขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดาขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่ได้เอ สัตว์ไม่เพึงได้สมความปรารถนาอันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นทุกข์นะขออย่าตายเลยขออย่าตายเลยไม่มีใครหาพบได้นะแต่ก็ยังนึกในะวันก่อนดูหนังสือเล่มหนึ่งศาสตราจารย์ทางชีวเคมีอยู่คนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขามีเมียเนี่ยเมียเขาตายไปพอเมียเขาตายเนี่ยเขาก็เขาเชื่อว่าพศออ2023 2,023 เนี่ยนะวิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าถึงที่สุดจะชุบคนที่ตายให้ฟื้นได้ <ged ativas> เขาเชื่อว่าเนี่ยจากนี้อีก2021ปีใช่ั้มอีก21ปีเนี่ยจะฟื้นขึ้น <ged ativas> เขาจะ <ged emat ical> เขาจะทางการแพทย์เนี่ยนะจะรักษาให้สัตว์ฟื้นได้แั้เขาก็เอาเมียเขาเนี่ยไปดองไว้เขาก็ทำเป็นโรงแบบโรงแช่เย็นอ่ะนะลบ65องศาเอาไว้ เขาทําเป็นลงคู่เอาไว้ใส่เขาเอาไว้ใส่เขาอีกข้างหนึ่งนะใส่เมียไว้ก่อนละใส่เมียมาแปดปีแล้วเขาก็ดูหน้าก็อบอกเธอยังยิ้มให้อยู่ทุกวันเลยเพรางั้นรัก <i> ก <c oughs> ันมากขนาะด <difficulty> นะนั้นนะก็ดองแล้วก็ยังดูสดใสเหมือนเดิมตลอดเท่านั้นเขามีกําลังใจทํางานก็เพราะนี่ยแหละเสร็จแล้วเขาก็ตอนนี้เขามีลูกชายอายุสิบแปด เขาก็สั่งเสียลูกชายไว้ถ้าเขาตายนะเอาไปดองไว้คู่กันตรงนั้นนะพอศสองพันยี่สิบสามเนี่ยทางการแพทย์จะเจริญถึงที่สุดจะชุบเขาขึ้นนี่นะเขาจะเขาจะเขาไม่คิดมัาง น, นนะถ้าหากว่ามันไม่หนักนาะสาหัสไม่ตายหรอกมันถึงที่สุดแล้วมันยึงตายนะถ้าชุบขึ้นมาใหม่มันจะเป็นแบบไหนอ่ะนี่นะถ้าชุบมาสภาพใหม่แล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะนะถ้าคือสมมตินะเราคุยแบบคุยตามเข้าเลยอ่ะนะอันะ้ ก็กระพร่องกระแพ่งเต็มทีแล้วนะเดินนี่แกว่งแขนมากหลุดไปชิ้นหนึ่งเลยน้ำหมากมาก เ, าเขาก็มีความเชื่อขนาดนั้นนะ ก, ก็ก็มีบริษทัทที่ที่รับรับรับดองศพเนี่ยนะก่อนข้างเยอะนะ<ม>ดองศพเนี่ยมีเป็นร้อยรศพเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะชุบศัตรูให้มาฟื้นอีกคือพวกนี้เป็นอุดเชื้อที่เต็มตัว เห็นรูปโดยความเป็นตนนะพวกใดที่เห็นรูปโดยความเป็นตนเนี่ยพวกนี้กถ็ถ้ารูปเสียหายก็ถือว่าตายถ้าชุบฟื้นขึ้นมาอีกยก็ถือว่าเพราะเขาถือรูปโดยความเป็นอัตตาพวกนี้นะถือรูปเป็นอัตตาไม่ได้ถือนามเป็นอัตตาพวกพวกที่ที่ตายแล้ววิญญาณล่องลอยเนี่ยพวกนี้ถือนามว่าเป็นอัตตา ก, ก็แบ่งออกเป็นสองพวก ถ้าพวกถือว่ารูปเป็นอัตตานะีชีวิตมีแค่ชาติเดียวถ้าพวกมีนามเป็นอัตตาเนี่ยชีวิตมีได้หลายชาติเพราะวิญญาณไปสิงเกิดใหม่ไปเรื่อยแต่พวกมีรูปถือว่ารูปเป็นอัตตาจะมีอยู่แค่ชาติเดียวพันาสาสนาใดที่ถือว่าชีวิตมีชาติเดียวนะศาสนานั้นอุชเช ท, ท, ทิติอย่างสายคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาถือว่าชีวิตมันชาติเดียวใช่ ถ้าเขาทำให้ถึงที่สุดแล้วเขามีชื่อติดไว้ในถนนเส้นใดเส้นหนึ่งที่เป็นชื่อของเขาเนี่ยอันนั้นเขาเขาเป็นความสุขที่สุดของเขาเลยอะอย่างในในสายอะไรนี่ไอ้มอสโกะรัะรรเสเซียนะรัเสเซียกลุ่มรัเสเซียเนี่ยก็พยายามจะไต่เต้าตัวเองขึ้นให้มีชื่อไว้สักถนนสักซอยหนึ่งก็ได้อ่าเป็นถ้าอันนั้นหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ของเขาศักดิ์ศรีที่สุดเลยนะ ทีนี้สัตว์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีโสกกะปริเทวะทุกขโทโมนัตอุปายาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าขอเราไม่พึงมีโศกะปริเทวทุกขโทโมนัตอุปายาตเป็นธรรมดาเนี่ยขออย่าได้โสกกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตเลยเนี่ยนะเคยขอได้ไหมตอนมันเครียดนะขอให้มันหายเครียดเธอให้มันหายป่วยเธอขอได้ไหมนะพอมันเป็นแล้วนะขอขอไม่ได้ใช่ไหม ตอนที่แม่ครูนอนไม่สบายใจเนี่ยนะป่วยกายป่วยใจเนี่ยขอได้ไหมขอกายก็ขอไม่ได้ขอใจก็ขอไม่ได้นะยิ่งขอยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยนะเออเพราะฉะนั้นก็เพราะพวกนี้มันเกิดจากปัใจจัยใช่ไหมมันเป็นสังขารธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ขอกันได้ถ้าขอกันได้นะสัตว์ในโลกจะไม่มีใครทุกข์เป็นแน่ะถ้าขอได้นะไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเป็นทุกข์หรอกแต่เนื่องจากขอไม่ได้สังขารก็เลยเป็น อย่างนี้ถ้าจะว่ารวมๆย่อๆไอตัวทุกทั้งหมดที่กล่าวไปก็คือตัวขันห้าเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรืออีกในหนึ่งก็คือตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวตัวทุกนะปัญหาทั้งหมดดังที่ทททททกล่าวไปก็คือขันห้าหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็ก็จริงๆย่อๆขนาดนี้ก็น่าจะเอาไปทําปริญญากันได้แล้วนะ คิดอะไรไม่ได้ก็คิดอยู่เท่านี้แหละชีวิตเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายโศกะปริเทวทุกขโทมานตุปายาตพระภาคจากของรักบ้างประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างหวังอะไรก็ไม่สมหวังบ้างนะแต่ย่อๆก็คือตัวขันห้านั่นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนแต่ถามว่าการพิจารณาเรื่องนี้บ่อยๆมากๆเพื่อโทมนต์ใช่ไหมไม่ใช่คนที่รอบรู้เรื่องนี้ถึงที่สุดนะพ้นทุกข์ เขาเขาจะเลิกเสียใจเลยเพราะเขารู้สภาพของขันห้าที่แท้จริงแล้วนะเขาจะไม่ถูกขันห้าหลอกอีกต่อไปเนี่ยนะเพราะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันก็เพราะถูกขันห้านี้มันหลอกเอานั้นก็วังว่าการศึกษาของเราทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อให้ให้ขันห้านี่เลิกหลอกสักทีนึ่งนะ